ได้รับฉายาว่าสุชีโวหลังจากอุปสมบทได้ 2, สองพันษาก็สอบไล่ได้ประเรียนธรรก้าประโยคเมื่อพุทธศักราช2482ซึ่งในปีเดียวกันนั้นมีผู้สอบไล่เก้าประโยคได้สามรูปคือหนึ่งพระมหาบุญรอดสุชีโวคืออาจารย์สุชีปุญญานุภาพ 2. พระมหาบุญมีอเวรีในวงเล็บ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 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพระหนุ่มเนนน้อยไม่น้อยมีผู้มาเล่าเรียนกันมากต่อมาท่านเจ้าคุณพระบรมมุนีผินสุวะโจวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูประฐมซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ณตึกหอสมุดมหามากุฏราชวิทยาลัย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 คือเรื่องลุ่มน้ำนามาทาเป็นการอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเรื่องเชิงพาหิมะพานเป็นการสรรเสริญคุณของพระอานนท์พุทธอุปถาคเรื่องอาทิตขึ้นทางตะวันตกเป็นเรื่องราวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกเรื่องนันทะปะชาบดีแสดงเรื่องราวของราชวงศ์สากยะ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 และความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์ในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วยงานรือเริ่มในทางวิชาการอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ที่ควรแกการบันทึกไว้ในที่นี้ก็คือพจนานุกรมสับพระพุทธศาสนาไทยอังกฤษและอังกฤษไทยซึ่งอาจารย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รือเริ่มทำขึ้นเป็นคนแรกในประเทศไทยและได้พิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก